สร้างกุศลเนื่องในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีเก่าก็จะหมดไปอีกภายในวันหนึ่งหลังจากนั้นปีใหม่ก็จะเ้าเข้ามาเวลาก็ผ่านไปผ่านไปอย่างไม่หยุดยัง้งเวลานี้ท่านเปรียบเหมือนกับงูที่ ขับเบือเหยื่อโมนี้มันจะไม่ได้กินเหยื่ออย่างพูดพลาดอย่างรวดเร็วมันจะค่อยๆ ข, ขับเรือเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยแต่ไม่นานก็จะเกินสัตว์ที่มันกําลังกินอยู่เข้าไปได้หมดเวลาก็เป็นเหมือนโมที่จะเกินอกินสับ ป, ประสิทธ์ทั้งหลาย สรรพบุคคลทั <S <S ้งหลายให้หายไปหมดเช่นตัวเราร่างกายของเราหรือทรัพย์สมบัติของเรานี้เรากำลังถูกเวลาเกินกินไปเถื่อเล็กเถื่อนน้อยแล้วไม่นานมันก็จะเกินกินเราไปทั้งหมดกินร่างกายเรากินทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเรา กินบุคคล ต, ต่างๆที่เรารักเราคารวเพราะนี่คือธรรมชาติของชีวิตของพวกเราเป็นอย่างนี้คือเป็นธรรมชาติของส่วนของร่างกายซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตของเราเรายังมีชีวิตอีกครึ่งหนึ่งที่ไม่ที่การเวลาไม่สามารถกลืนกินได้ นั่นก็คือใจของเราใจของเรานี้เวลาไม่สามารถทำให้เสือ่อมทำให้สลายทำให้หมดไปได้ใจของเราอยู่เหนือการเวลาใจของเราเป็นอาการลิโกไม่มีวันเสือ่อมไปตามการตามเวลาเหมือนกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ที่ต้องมีการเสื่อมไป เป็นธรรมดาและหมดไปในที่สุดหน้าที่ของพวกเราจึงอยู่ที่การดูแลรักษาใจของเราให้อยู่อย่างมีความสุขให้อยู่อย่างเจริญรุ่งเรืองหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของพวกเราที่เราควรจะทำมากกว่าดูแลรักษาร่างกาย ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองดูแลบุคคลต่างๆให้มากจนเกินไปดูแลพอสมควรกับฐานะกับเหตุการณ์กับความเป็นจริงก็คือดูให้อยู่ไปได้แต่ถ้าเมื่อถึงเวลาเขาไม่อยู่ก็ต้องปล่อยไปตามความเป็นจริง อย่าไปต่อสู้กับความจริงเพราะเราสู้ความจริงไม่ได้ความจริงอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรจะดับมันก็ต้องดับแต่เราไม่ต้องไปเดือดร้อนกับการเกิดกับการดับของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะว่าเราไม่ได้ดับไปกับสิ่งต่างๆเราไม่ได้ดับไปกับร่างกายเราอยู่กับใจ ใจไม่มีวันดับเพียงแต่ว่าใจของเราตอนนี้เป็นใจที่ไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาเนื่องจากว่าเราไม่รู้จักวิธีสร้างความสุขให้กับใจของเรานั่นเองเราไม่รู้จักวิธีดับความทุก์ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปเราจึงต้องทุบ ก, กับ เราจึงต้องมีความทุกข์อยู่ภายในใจมาตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะใดอยู่ในสภาพใดก็ตามความทุกข์ในใจนี้จะมีอยู่กับเราไปเรื่อยเรยืเนื่องจากว่าเราไม่มาทำการดับความทุกข์ต่างๆภายในใจนั้นเองเพราะเราหลงไปดูแลรักษา สิ่งที่ไม่ถาวรสิ่งที่จะต้องจากเราไปการดูแลสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นแลเป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ใจเพราะเมื่อเราดูแลอะไรรักษาอะไรเราก็อยากจะให้สิ่งที่เราดูแลรักษาอยู่กับเราไปตลอดไม่ให้จากเราไปความอยากที่ไม่ให้ สิ่งต่างๆที่เราดูแลจากเราไปอันนี้แหละเป็นต้นเหตุที่สร้างความทุกข์ใจให้แก่พวกเราพวกเราไม่รู้ว่าเรากำลังสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราโดยไม่จำเป็นใจของเรานี้ความจริงสามารถอยู่กับสิ่งต่างๆได้อย่างไม่มีความทุกข์เลยแต่เราไม่รู้กันเพราะว่า เราไม่ได้เข้าหาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังเราเป็นชาวพุทธแต่เราเป็นชาวพุทธแบบมือสมัครเล่นเรายังไม่ใช่เป็นชาวพุทธแบบมืออาชีพเราเข้าวัดก็เพียงเฉพาะช่วงเวลาสําคัญสำคัญอย่างเช่นในเทศกาลต่างๆหรือในวันสําคัญของชีวิตเราเช่นวันเกิด หรือวันเสียชีวิตของบุคคลที่เรารักเราเคารพเราจึงเข้ามาวัดสักครั้งหนึ่งและการเข้ามาวัดส่วนใหญ่ก็ยังเข้าไม่ถึงวัดอยู่ดีเพราะส่วนใหญ่เข้าแล้วไม่ได้เข้าถึงพระธรรมคำสอนที่เป็นตัววัดที่แท้จริงแก่นของวัดก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าถ้าเราเข้าวัดเพียงแต่มาถวายสังฆทาน เพียงแต่มากราบพระจุดธูปเทียนอธิษฐานขอสิ่งต่างๆแล้วเราก็กลับบ้านไปอย่างนี้เรายังเข้าไม่ถึงวัดมาถึงประตูวัดเท่านั้นแต่ยังไม่ได้เข้าถึงตัววัดถ้าอยากจะเข้าถึงตัววัดเราต้องเข้าหาพระเพื่อได้ฟังเทศนาฟังการสั่งสอนธรรมะของท่าน เพราะถ้าเราได้ฟังธรรมะแล้วเราจะได้มีหูตาที่สว่างขึ้นเราจะได้รู้ว่าเรากำหนงเรากำลังหลงสร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่ใจของเราโดยใช่เหตุเราไม่ควรที่จะสร้างความทุกข์ให้แก่ใจเราแต่เราไม่รู้กันเพราะความหลงเพราะความหลงไปรักไปชอบในสิ่ง ที่เราไม่สามารถรักษาได้นั่นเองเราหลงรักร่างกายของเราเราหลงรักร่างกายของคนอื่นเราหลงรักกับข้าวของต่างๆทรัพย์สมบัติต่างๆเราก็เลยพยายามดิ้นรนดูแลรักษาให้สิ่งที่เรารักนั้นอยู่กับเราไปตลอดแต่ไม่ว่าเราจะรักษา ได้ดีขนาดไหนก็ตามความเป็นจริงก็ย่อมเป็นความจริงอยู่นั่นแลก็คือเราจะต้องพัดพ่าจากสิ่งที่เรารับไปในที่สุดไม่ช้าก็เร็วเขาไม่ไปก่อนเราเราก็ไปก่อนเขาเพราะนี่คือกฎของธรรมชาติกฎของร่างกายกฎของสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ เราจึงต้องมาทำความเข้าใจให้ถูกต้องให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราหลงไปรักไปชอบไปอยากจะให้อยู่กับเรานี้จะไม่อยู่กับเราไปตลอดเราจึงอยาไปอยากให้อยู่กับเราไปตลอดเพราะจะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาขอให้เราทำใจอยู่กับเขาไปเท่าที่เขาจะอยู่กับเราได้แล้วเราจะไม่ทุกข์ใจ เพราะเราไม่ได้สร้างความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของพวกเรานั่นเองนี่คือความรู้ที่เราควรจะรู้ให้รู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราจะรักษาเก็บเอาไว้กับเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะต้องพัดพ่าจากเราไปในที่สุดพอร่างกายเราตายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหมดไป แต่ใจของเรานี้ไม่ได้หมดไปกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้ายังมีความหลงอยู่เราก็จะวนกลับมาหาร่างกายอันใหม่ต่อแล้วเราก็จะมาทุกขกับร่างกายทุกขกับสิ่งต่างๆที่เราได้รับจากการมีร่างกายต่อไปนี่คือชีวิตของเราเป็นอย่างนี้เราสูญเสียร่างกายอันนี้แล้วเราก็กลับไปหาร่างกายอันใหม่ กลับมาเกิดใหม่กลับมาทุกข์ใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดภาคจากสิ่งที่เรารักใหม่ทำอย่างนี้มานับไม่ถ้วนแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าน้ำตาที่เราหลั่งมาในแต่ละภพแต่ละชาตินี้ถ้ามารวมกันแล้วมันมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรสีคิดดูก็แล้วกันว่าเราจะต้อง กลับมาเกิดกี่ครั้งมาร้องไห้กี่ครั้งถึงจะได้น้ําตาเท่ากับน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือจำนวนภพชาติที่พวกเราได้ผ่านมาและก็จะมีต่อไปอีกไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่เราไม่สามารถดับความหลงไม่สามารถดับความอยาก ที่เกิดจากความหลงได้เราก็จะต้องเวียนว่าตายเกิดต่อไปอย่างนี้ต่อไปอีกไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเรามีโอกาสมีวาสนาได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเราโชคดีเพราะมีคนนำทาง ม, มีคนที่จะสอนบอกให้เรายุติการเวียนว่าตายเกิด มีคนชี้บอกทางไปสู่บ้านที่แท้จริงของเราไปสู่บ้านที่มีแต่ความสุขไปสู่บ้านที่ไม่มีความทุกข์ผู้ที่จะที่นี่ได้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นไม่มีผู้อื่นในโลกนี้ที่จะมีความรู้ความสามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ มีพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวที่สามารถรู้ได้ด้วยพระองค์เองแล้วหลังจากที่พระ อ, องค์ทรงรู้แล้วก็ทรงนำเอามาสั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ถ้ามีศรัทธาความเชื่อแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถยุติการเวีนไน้ายตายเกิดได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า บุคคลเหล่านั้นเราเรียกว่าพระอรหันตสาวกพระอรหันตสาวกคือผู้ที่ได้น้อมเอาคำสอนของพ่อพระเจ้ามาปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังอย่างมืออาชีพคือไม่ใช่มือสมัครเล่นปฏิบัติตลอดเวลาทุกวันยกเว้นเวลานอนหลับเท่านั้นจึงทำให้ท่านสามารถ ยุติการเยือน่ายตายเกิดได้ไม่ว่าใครก็ตามถ้าอยากจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าหรือบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกจำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติมืออาชีพต้องปฏิบัติอยู่ทุกวันทุกเวลายกเว้นเวลาหลับเท่านั้นถึงจะสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้นี่คืองานของเราหน้าที่ของเรา เพราะพวกเราไม่มีใครอยากที่จะต้องมาทุกข์กับความแก่กับความเจ็บ ก, กับความตายกับการพลาดภาดจากสิ่งและบุคคลที่เรารักไปแต่ถ้าเรายังไม่สามารถยุติการกลับมาเกิดได้เราก็จะต้องกลับมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกับความพลาดภาดจากสิ่งที่เรารักไปเสมอ ีและคืองานของเราที่แท้จริงงานที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้แก่พวกเราไว้ถ้าพวกเราทำงานที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเราได้เราก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้จึงขอให้พวกเราจงลํำลึกถึงคำสอนคำสั่งของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆให้เตือนสติ ถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าเรากําลังทําตามคําสอนของกิเลสตัณหากิเลสตัณหาสอนให้เราทําอะไรกิเลสตัณหาก็สอนให้เราสะสมภพชาติให้มีมากยิ่งขึ้นไปนั่นเองด้วยการให้มีความอยาก ได้สิ่งต่างๆเช่นอยากได้ลาบอยากได้เงินทองให้มากน้าให้มีมากขึ้นไปอยากได้ยศอยากได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นไปอยากได้คนสรรเสริญเยินยอยกย่องนับถืออยากได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆถ้าเรามีความอยากหรือเราทําตามความอยากเหล่านี้ แสดงว่าเรากำลังเป็นาธาตุของกิเลสตัณหาผู้ที่จะผลักดันให้เราต้องไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆนะแต่ถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือทาบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ถือว่าเรากำลังตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิด ตัดความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของเราให้เบาบางลงไปนี่คือคำถามที่พระเจ้าส่งมอบให้พวกเราถามพวกเราอยู่ทุกวันทุกเวลานาทีเวลาเราไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรถามตัวเองดูว่าตอนนี้เรากำลังทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสัสอนหรือกำลังทําตามกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆ ถ้าเรากำลังทาตามกิเลสตันหาก็ขอให้เราหยุดทันทีอย่าทาตามเพราะเป็นเหมือนขับรถสวนทางขับรถสวนกระแสของรถคันอื่นขับรถผิดทางนั่นเองเราต้องรียบยู turn, เทิร์นเลี้ยวกลับแล้วก็ขับไปตามทางที่รถเขาวิ่งกันทางที่จะพาให้เราไปสู่ความสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ทางที่จะนําไปสู่การดับของความทุกข์ทั้งหลายอยู่ที่การทําบุญละบาปและชําระใจให้สะอาดการทําบุญก็คือการทําประโยชน์ทําความสุขให้แก่ผู้อื่นเช่นวันนี้ญาติโยมก็มาทําบุญได้ทําประโยชน์ได้ทําความสุขให้แก่ผู้อื่น ด้วยการนำเอาข้าวของต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นอาหารยารัารกษาโรคจีวรเครื่องนุ่หงห่มและสิ่งใช้ที่จำเป็นต่างๆมาถวายพระผู้รับพระก็คือจะได้ประโยชน์ส่วนผู้ให้ก็จะได้บุญเพราะได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนี่คือควาหมายของการทำบุญ คือการกระทําที่ทําให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ผู้อื่นเรียกว่าเป็นการทําบุญดังนั้นการทําบุญจึงไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องทํากับพระกับนัก บ, บวชเพียงอย่างเดียวทํากับใครก็ได้ที่เขาได้รับประโยชน์ได้รับความสุขเช่นเมื่อวานนี้มีญาติโยมได้ไปถ่ายชีวิตของโคจากโรงฆ่าสัตว์มาหนึ่งตัว แล้วก็เอามาฝากให้กับวัดมาถวายวัดให้เขาปล่อยให้เขาอยู่มีชีวิตต่อไปโคตัวนี้ก็ได้รับประโยชน์ได้รับความสุขคือไม่ต้องเสียชีวิตอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญเหมือนกันจะถ่ายชีวิตของโคก็ได้ปล่อยนอกปล่อยปลาก็ได้แต่อย่าไปซื้อนกปลาที่เขาขายกันตรงหน้าวัด อันนั้นมันไม่ได้ปล่อยเดี๋ยวก็กลับมาหาคนขายกเขามีวิธีล่อให้นกกลับมาหาส่วนปลาเขาก็มีวิธีกลับไปจับเพราะปลาปล่อยตรงหน้าร้านเดี๋ยวเขาตอนเย็นเขาก็มาจับปลาใหม่ถ้าปล่อยอย่างนี้จะไม่ได้ประโยชน์ควรจะไปปล่อยไปซื้อปลาที่กําลังจะตายที่เขากําลังจะฆ่าในตลาดนี้มาปล่อย แล้วอย่ามาปล่อยแถวหน้าวัดไปปล่อยที่ไกลๆเพราะแถวหน้าวัดนี้จะมีพวกที่หัวหัวหมอหัวฉลาดรู้ว่าเป็นที่สามารถที่จะมาจับปลาเอามาขายได้นี่ก็คือเรื่องของบุญคือทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นนักบวชคาะวาาเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานก็ถือว่าเป็นบุญเหมือนกัน ทำบุญให้กับผู้มีพระคุณก็เป็นบุญเช่นทำบุญกับบิดามารดาช่วยเหลือบิดามารดาทำประโยชน์ให้บิดามารดามีความสุขมีความสบายอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญเราไม่จำเป็นจะต้องเจาะจงทำบุญกับพระอย่างเดียวมีพระท่านส่วนใหญ่ท่านจะสอนให้ทำบุญกับพระอรหันต์ที่บ้านก่อน อย่าไปหาพระอาหารหันต์นอกบ้านเรามีพระอาหารหันต์อยู่สองรูปสององค์อยู่ในบ้านของเราทําบุญกับพ่อกับแม่เหล่านี้ mm. ก็ถือว่าได้ทําบุญกับพระอาหารหันต์ได้บุญเท่ากัน mm. เพราะพ่อแม่ของเรานี้ท่านเป็นพระอาหารหันต์ของลูกๆนั่นเองดังนั้นเราจึงอย่าไปหลงว่าจะต้องไปทํากับวัดนั้นวัดนี้ที่เขา โพทนาการว่าทำแล้วจะได้สวรรค์ชั้นนั้นจะได้ร่ำได้รวยแบบนั้นแบบนี้การทำบุญเราไม่ต้องการไปสวรรค์หรือได้ให้ร่าให้รวยเราเพียงต้องการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเพื่อให้เราเป็นคนดีเพื่อให้เรามีความสุขใจเท่านั้นความสุขใจนี่แหละเรียกว่าสวรรค์ไม่จำเป็นจะต้องไปทำกับวัดนั้นวัดนี้เสมอไป อยู่ใกล้ที่ไหนมีเหตุการณ์อันใดที่ควรจะทำก็ทำไปเสียเช่นมีการเหตุการณ์ไฟไหม้น้ำท่วมมีเพื่อนบ้านเพื่อนเพื่อนร่วมมนุษย์เพื่อนร่วมโลกเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆเราก็ช่วยเหลือกันอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญขอให้เราทำตามอัธยาศัยเราชอบทำอะไรแบบไหน ก็ทํากันไปบางท่านชอบทํากับวัดก็ทําไปบางท่านชอบทํากับโรงพยาบาลก็ทําไปบางท่านชอบทํากับโรงเรียนก็ทําไปแล้วแต่อัธยาศัยความพอใจได้บุญเหมือนกันแต่ถ้าเราอยากจะได้ของแถมจากการทําบุญนี้เราก็อาจจะต้องเลือกที่เราจะไปทําบุญเหมือนกับเวลาเราไปเติมน้ํามันรถยนต์ ถ้าเราอยากจะได้ของแถมจากปั๊มน้ามันเราก็ต้องเลือกปั๊มที่เขามีแจกของแถมเช่นเราต้องการน้ำเย็นเป็นของแถมเราก็ไปเติมปั๊มที่เขาแจากน้ำเย็นฉันใดถ้าเราต้องการของแถมจากการทำบุญเช่นธรรมะเราก็ต้องทำบุญกับพระที่มีธรรมะพระที่มีธรรมะท่านก็จะให้ธรรมะกับเราเป็นของแถม ดังนั้นจึงมีการพูดว่าถ้าทำบุญกับพระธรรมดานี้จะได้บุญเพียงหนึ่งเท่าแต่ถ้าทำบุญกับพระอริยเจ้าเช่นพระโสดาบันก็จะได้สิบเท่าทำบุญกับพระอริยขั้นที่สองคือพระสกิฎาคามีก็จะได้ร้อยเท่าทำบุญกับพระอริยขั้นที่สาม พระ อ, าาอนาคามีก็จะได้พันเท่าทำบุญกับพระอริยะขั้นที่สี่คือพระอรหันต์ก็จะได้บุญหมื่นเท่าหรือถ้าทำบุญกับพระอรหันต์ตถมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้บุญแสนเท่าเพราะจะได้ธรรมะมากนั่นเองธรรมะนี่แหละเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าบุญทั้งหลายที่เราทำกันบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ประโยชน์ สูกแก่ผู้อื่นนี้เป็นเหมือนกับเสษเงินเช่นเหมือนเหรียญบาทเหรียญสองบาทเหรียญสิบบาทแต่ธรรมะนี้เป็นเหมือนเงินเป็นธนบัตรไบลาพันผู้ใดได้ทำบุญได้รับธรรมะจากพพระพุทธเจ้า <c oughs> ก็มีความสามารถหรือมีโอกาสที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เลย เพียงแต่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าฉะนั้นเช่นในสมัยพระพุทธการเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมแต่ละครั้งมีคนบรรลุเป็นพระอรหันต์กันเป็นจำนวนมากในขณะที่ฟังเทศน์ฟังธรรมเลยนี่เป็นของแถมที่เราจะได้รับจากผู้ที่มีธรรมะถ้าเราต้องการธรรมะ ดังนั้นคนที่ต้องการธรรมะจึงมักจะเลือกหาพระที่มีธรรมะสูงไปทำบุญกับพระที่มีธรรมะสูงเพราะจะได้ธรรมะกับมากแต่ถ้าคนที่ไม่สนใจอยากจะได้ธรรมะก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหาพระที่มีธรรมะสูงทำบุญกับใครก็ได้ใครที่เขาเดือดร้อนเราช่วยเหลือเขา ให้เขาได้คลายความทุกข์ความเดือดร้อนลงไปเราก็ได้บุญเหมือนกันนี่คือเรื่องของการทำบุญส่วนเรื่องของการละบาปก็คือการละการกระทาที่เกิดโทษเกิดความทุกข์แก่ผู้อื่นนั่นเองเราไม่ต้องการทำอะไรให้คนอื่นเขาเดือดร้อนให้เขาทุกข์ให้เขาทรมาน เช่นการท่าชีวิตของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานเขาก็เป็นเหมือนเราเขารักตัวกลัวตายเหมือนกันเขารักชีวิตของเขาเหมือนกับเรารักชีวิตของเราถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาทำลายชีวิตของเราก็ขอให้เราอย่าไปทำลายชีวิตของผู้อื่นเพราะมันมีกฎแห่งกรรมที่จะตามมาต่อไป ทำอะไรไว้ก็จะต้องรับผลของการกระทํานั้นข่าผู้อื่นต่อไปก็จะต้องถูกผู้อื่นฆ่านี่คือกฎแห่งกรรมถ้าไม่อยากจะให้ผู้อื่นฆ่าเราก็อย่าฆ่าสัตว์ถ้าไม่อยากให้ผู้อื่นลักทรัพย์ของเราก็อย่าไปลักทรัพย์ของผู้อื่นถ้าไม่อยากให้ผู้อื่นมาประพฤติผิดประเวณี e, กับบุตรทิดากับภรรยาสามีของเรา เราก็อย่าไป พ, พูดผิดประเวณีกับผู้อื่นถ้าไม่อยากให้ผู้อื่นมาโกหกหลอกลวงเราก็อย่าไปโกหกหลอกลวงแก่ผู้อื่นนี่คือการละบาปให้ละอย่างนี้ส่วนข้อที่ห้าที่บอกให้ละการเจ็บชรายาเมานี้ก็เพื่อที่จะรักษาสติของเราให้มั่นคงนั่นเอง พอเวลาที่เราดื่มสุราเข้าไปแล้วเราจะขาดสติเมื่อขาดสติเราจะไม่สามารถควบคุมการพูดการกระทําของเราได้คนที่เมาสุรานี้มักจะพูดจาเละเทะมักจะพูดจาทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนทําให้คนอื่นเขาเกิดความทุกข์มักจะกระทําในสิ่งที่ทําให้เกิดความเสียหายเกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น พราอไม่สามารถควบคุมกายวาจาใจของตนให้อยู่ในความสนุกให้อยู่ในความดีงามได้นั่นเองพระพุทธเจ้าจึงต้องเติมศีลข้อที่5เข้าไปคือการเสพสุลายาเมเหล้าการดื่งชุลายาเมเหล้านี้ถ้าดื่มแล้วก็นอนหลับไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรก็ไม่ถือว่าเป็นบาปแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าไม่เกิดประโยชน์เสียเวลาเปล่า เหื่โซดาแล้วก็จะไม่สามารถทำอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ได้ไม่สามารถทำบุญได้อย่างคนที่ดื่มโซราเมื่อคือนนี้ก็อาจจะยังไม่ตื่นตอนนี้ก็ได้พอนอนดึกนอนดึกแล้วก็ต่อเตือนมาก็ปวดศีรษะถ้าดื่มโซดามากมากมา ก, ก็จะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายพอถึงเวลาจะมาทำบุญก็จะไม่สามารถมาทาบุญได้ นี่คือเรื่องของการละ บ, บาทขอให้พวกเราพยายามทำกันเหมือนกับการทำบุญทำให้มากขึ้นไปตามลำดับต้องทำให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงจะเรียกว่าทำอย่างเป็นที่ถ้ายัางทำเล็กๆน้อยๆอยู่นี้ก็ยังเป็นถือว่าเป็นมือสมัครเล่นอยู่มรรคผลนิพพานยังจะไม่เกิดขึ้นได้ต้องทำร้อยเปอร์เซ็นตส่วนการชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ก็คือการชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนั่นเองด้วยการต่อต้านไม่ทำตามเวลาเกิดความโลภก็อย่าโลภอย่าทำตามความโลภเวลาเกิดความโกรธก็อย่าทำตามความโกรธเวลาเกิดความหลงก็ต้องศึกษาธรรมะเพื่อที่จะได้มาดับความหลงความหลงก็คือการไม่เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ทุก ไม่เห็นความทุกข์ไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเรานั่นเองเราจึงต้องศึกษาธรรมะให้มากมาเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงไปคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราร่างกายนี้เป็นตัวเราจะอยู่กับเราไปตลอดถ้าเราไม่หลงแล้วเราก็จะไม่โลภเราก็จะไม่โกรธเมื่อเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเราก็จะหลุดพ้น เราก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่การจะปฏิบั tn ี้เราต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นเครื่องมือถึงจะสามารถแก้ความหลงแก้ความโลภแก้ความโกรธได้เราจึงต้องปฏิบัติทมกันเรียกว่าจิตถภาวนาจเจริญสติจเจริญสมาธิแล ะ, จะเจริญปัญญาอย่างต่อเนื่อง ถ้าเราสามารถจเจริญสติสมาธิปัญญาได้เราก็จะยุติความอยากต่างๆได้เราก็จะชำระใจของเราให้บริสุทธิ์ได้ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ได้อีกต่อไปนี่คือหน้าที่ของพวกเราที่พวกเราควรจะคอยเตือนสติอยู่เรื่อยๆถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เวลาผ่านไปผ่านไป เรากําลังทําบุญละบาปชาระใจของเราให้สะอาดหรือเปล่าทากตรงนี้อยู่เรื่อยๆแล้วจะทําให้เราเกิดมีความวิริยะอุตสาหะที่จะรีบทํางานที่เราควรจะทําเพราะงานนี้จะทําให้เรามีที่พึ่งหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่งานอย่างอืงนี้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งของเรา ไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญในวาระวันสิ้นปีใหมน่นี้ให้ท่านได้นำมาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศรีลัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความโล่งเย็นเป็นสุขแค็วพลาดต่ลอไภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเทอ